บุกทูส17เจ็ดรอบบ้านวูกูกยาวูกูกยบ้านของเราอยู่ที่นี่เอเวยานาชิตาคูกยเอเว ตหลังคาอยู่ข้างบนโกรเรอิปโควริวต์โกรเรอิปโคริวตห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างดโดมอโดุมตมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านโซาดี มีมากราดินาปุ่งซ้ายที่คุกี้ตามี а า а ราดินาไม่มีถนนอยู่หน้าบ้านปิด а ุกี้ตาไม่มาอุดคุกี้ตาไม่มาอุลมีต้นไม้อยู่ข้างบ้านปุ่กุกี้ตามีมาดรด อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่เอเวโกโมูยันห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่อุฟเดเห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ตา Седневната соба и спалната соба. Таму се дневната соба и спалната соба. Прату баш пие. Влезната врата е затворена. Влезната врата е затворена. т а на танг пеер. Но прозорците се отворени. หนูประชุมที่ไหนจะเปิดวันนี้อากาศร้อนดานิ е เอเจชโ н ดานิสเอกเรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นนี่อดีมวันศุกร์นัตตาส มีโซฟาและเก้าอี้น่วมตั้งอยู่ที่นั่นทามุ ima หนึ่งโซฟาีหนึ่ О ฟเทียทามุ ima เอึ่งโซฟาีหนึฟูเทียเชิญนั่งค่ะซิดเนเต้ซิดนเคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น สคอพิวเตอร์ทตมตคอมพิวเตอร์สเตรโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นตเตรตมเตออรตชุดทีวีเป็นของใหม่เทเลวิซอร์ตเอสโซเซมาน Телевизорот Исусе Манов